กุม่านแม่นหรออย่าพนมาห่าพ่อนอ่ะกูมานกูม่านเนี่ยแปลว่าที่ท่านลูกเนาะแปลว่าผ่ามไปขอลูกมัซี่เนี่ยแปลว่าห้องหายหาลูกหน้ามาัซี่ยังเออข่าไหนต่อไปแม่นี่ยังจะสร้างถอยฮานยอนน้มาวันไนฮ่นี่ ย, ย น, น่าใจมันต้อ้เปีย น, นวยมันหลายกันเนาะ ก็วัววดเปื้อนก็บะ้อกระ t h n กรไดุ้นีเราโอ้เวเย็ดสันดอนเพิ่นแห่งเพิ่นหาท่านเนี่ยข้าเพิ่นไปรักษาศีลห า, ลนนน า, หนา เ, เ, เ, น, น, น, าเออนี่ยขาเพิ่นก็บพระวนาเมตตาและเพ่งเตโซกศีลเมืนบอเออนี่นีเนี้ยขัเมื่อวันนี้ละพันผู้ใดเมตท่านมีศีลหามีพระวนาอยู่แล้วผมอยกว่าอาุนทีวเวมื่อวัีก็เว่งขึ้นผู้ข่าวว่าเออ บุญเขากี้นั่งปุณนน้าท่าสีนี่ผู้ผู้บาวชีเดอร์ผไปบอกว่าทุกใครใครจะไม่ไดแมเพาว่ามันกับพแม่นันน่ะกับเพราะว่าแต่บุญเขากีนั่งปุ่นน้า่าสีแล้วบุญเขาหนึ่งห้องก็ได้ท่านบุญเขาหงห้องก็ะได้ท่านเนี่ห้องกับคำว่ามันบุญเฮ็ดบุญนั่งบ่มันบุญเขากี้สมือหรืบุญเขาหนึ่งยี่สมือหรืห้องอะไรมันก็ไดเยอะขึ้น ไอ้องสันอรรถว่าอันนั้นางรับคนเหล่าให้คนยากหรอว่าคนค้นบางเนี่ยขอฮ้อนจุ่คนที่สงสัยเฮ้ยต้องมีท่านนี่สีนี่พ่อหน้าเขาเรียกว่าบุญมหัศนรรยนะ์บุญมหัศจก็คือกันหนะ้องเบียรเห็นบุญสหัศจรรยก็เรียกว่า บ, บุญมหัศจรรยก็คือกันนะบ่ให้ผู้ใดมาขเขมแขงกันครับว่าพ่อหน้าพุทโธพุทโธมู่นี้เด้อเฮา เกษตรบุญมโหสถกันตัวเนี่ยผู้เขาเหตุบาปเขาเกษตบาปสดๆคือกันในวันเหรอพระองค์ท่านว่าบุญมโหสถมีบาปมโหสถก็ม่คือกันเหตุบาปสดๆเนี่เนี่จะไปสงสัยอ่ะนอันกับว่าพระอุปคุตแก่นั่งมะนาวบ่ พระยาม่นญญานพรยาม่านผูกถ้าอุปกัชย์เอานังมาเอาผูกข้อพระยาม่านแน่นบ่แล้วก็หไปหอดพบมโลกฝนจะแก้ก็ได้แน่นบ่โลกมหาพระอุปกัชย์แก่แน่นบ่พอุปกัช์จะแก้ได้แั่นบ่เรื่องฮันนีแก้อันนี้เร้อันี่วนกบอกว่าตะพระอุปกัชย์แล้ว พระอามาพูดได้เป็นตถึงพระอานาค า, า, านี่ก็แกะนังมาเน่าเนี่มันพระอานาคามี่บพหลงหนังนี้อเออบหลงของเงาของปออ่วยเด้อพรนอานาคานี่แม่นบอก็แกะนังมาเนได้เห็นตัวแม่นบอกก็สิแกะไแต่พระพรุณยังองค์อื่นก็แกะอะไรกั น, กน พวกลัานมัต้องวอกมองค์แกแก้เมดน่ะพระอานาคฆ์นี่ก็่ต้องวอกหรอองค์แรกแก้เม็แก้เพราะใครพระโสดาบันเนี่ยย่างฆ่าอยู่ต่าเป็นนังมาเนาลูกผัวเราได้หรลูกเราผัวอผัวเราไม่เเราได้ไม่นไ่เป็นนงมาเนาคนอื่นได้แก้ไ่ได้เข้าใจพวกนั้นไเข้าใจหรือเ่านี่ คือข uh, yeah. ับคอยแต่ขับง่ายๆนะเบียงอะไรนะเดี๋ยวสั่นดิเอียนเท่าปานนี้ยังละเลีกละพาละบัดละเบื่อว่าท่านไหนมันกระโพอกระด๋อผู้ข่าว่าราชสิตธาไฟละย่ำไหนเท่าปานนี้ยังมาพากันสิครงหาหมอบกายถวายที่ตาบพุทธประทับประสงค์เลย อ่าครับเจีย๊ยบทองไม่้จอบเจ้าเสือผีไม่ได้ไม่กูตั้งสูอไปถ้าไปปลาไปบุนมัน่นะว่าผีมันถืออย่างผีศพมั่นมี่กระซ่างมั่นบาทไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือเนี่ยผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดอันเดียวกันทจ่เลสไม่มีแก่พระหันนั่นแกอันเดียวกันมี่กยาหอเปล่ห้องมองเจปิือ่ เจดีย์พุท่างสงนางขตาเฉยเ ต, เตคมิคทันตีอ ป, ปายพระพุ็ประหายมานุสังเทหังเทวากาญจงพอิปุเรศตัณฑ์ตีในมหาสมัยสูตรผู้ได้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วจะไปบรรเทราในสวรรค์จะไปสงสัยใน้รพุร ท, พทธรรมพระสงฆ์มิศาสนาเดียวนี่แหละมีมัคพนิ น, พ, นพ่านพุทธธรรมสงฆ์มีนา้าอริยะธรรมเอิโตนะโล อริยธรําคือทำมันประเสอยู่ที่นอนและชนนอนลูกับพ่อวนาได้อยู่พ่อวนาเนีเอาแต่อันนั้นอเอาอบอุ้ยยงหรือจะเอาไรเนี่อออยอาอุ้ยหยั่งเอาเนี่ยเดียว็บอุ้ยย่งบ่ได้สงสัยบอกวังสันว่าข้า ก, กินเข่าเลยิเขาก็ปนวัตถีโมโนสัสนไม่ไสงสัยยิ่งขึ้นกันเ่ะ มันเขาก็เปรเีก ก, รกก็เสียอิ่มมโนอมอกี้อิ่มพื้นกันเลยมันเขาก็ซุบด้วยไหมันสีอิ่มมโนเมือกี้อิ่มพื้นกันยังบอกว่าสั่นทางเหตุร้ายอย่ะว่เห็นแก้วมันว่าให้เล่าเล่าไปว่ามันพวกคนยวนสร้างเล็กเคล็ดเคลดให้ก็บให้สร้างไม่เค็ดให้มีเขาบาอกมีมันจะเครียดเตี้มันว่าให้เตี้ยฮะเนี่ยผวมยวดยวก เจาเจ้าเอาเงินมาเชียงคอยงรัวสมว่าเจ้าเพระเฮ็ดอีลิชชื่อหรอกว่าสด็มว่าเฮ็ดอันนึ่งมาผนไปเฮ็ดอันนึ่งมาเสจับเราว่าจับเราว่าคอยเป็นช่างเล็กช่างม่อีคือมาเชียงคอยพังรัวเงิาสด็เดียมว่าอไอันนี้คือกานละพระวนาเอาพุทธโธเกษตรพระสสดาวันฑ์ถ้ากท่าข้าไม่อาาข้าไม่ใู่ภสัทธาจิรีเะมันทั้งดูพุทธโธภูสัทธาจารีเตะภูราคาจะรีเตมันทั้ง ดูดเองหรอกดูดพอันของเปื่อกของเนาในสัพพลพลงกายพกคนเดี่ยวฟันมันกัดทูร่าคะจริตพูดทั่วสาจริตแพร่เมตตาแล้วก็ลิปรอดมันถือได้มันถือกันมันพูโมหะจริตกำหนดลมห้ยก่เขาออกก็ลิปตลอดมันถือกันหลองสัมของมีน้ำห้องหมดไม่ได้ยืมมา ยืมร่มห้อยแก่เขาออกยืมพุทโทษไปพอาอวานาเนี่ย ย, ยืมห้างกระดูกไปพ่าวานาเนี่ยเขาค อ, อย่มนี่เขาค อ, อยคอยทีเอามาส่างกลับไว้รอเขาแต่เขา้อยู่ในห้องมืดมัมีเวลาวบอกว่าทันใจคือมีเวลาหมู่ห้องมาท้าพ่อวานาซะมันมีเวลาใจเกออกก็ยังมีเวลากินขาบุญก็ยังมีเวลาไปทยมืงก็ยังมีเวลา ปวมาล้วท่านพ่อของพ่อ้มาท่าพ่อหาสรภังสีรามบุรีในลายืนเดินนั่งนั่งนั่งไม้ข้อานน่งน่มาหลับนั่งก็ไม้ข้อมาบด้หาว่าจะจสีนั่งทําท่าทงท่ากับดอกกรเียบี่เหลือเขนว่ากรไดเว่ยกทําท่านลยสิกับกรเียมันกับว่มนดอกนั่งหัแข้งมาขาก็ไดเยอะดอกเวยห้าบางองค์นกับ สมเด็จพระหลานกาลังไปป็นทบาทโมีห้าบางองกาลังเบงอุ จ, จะละพัฒสวะอยู่โยกมี่้าบางองกาลังเกิดหัวนอนล้มมีเป็นสาเ็จพระหลานได้บด ท, ทุกอนุญาตยืนเดินน่งนองรับลับบัวแต่ารับบมีคาตื่นนางรถนางเรือมุ่นยอดขาเ้าว่าน้าไปขึ้นเปลือกเขาป้าเขาเมื่อาหาหลวหาฟืมุ่นน้ำม่ว น, น, กกวน้ําควนาว่านากุก้าวานยาง ย่ำเดินเขาไปเขาขาเก่าออกเดินย่มนัเขไปเขลมหายใจหอบก็ได้ยามนั่งเขาไปเขลมหายใจหอบก็ได้พ่อหน้าค้ตายพ่อเขาลมหายใจหอบก็ได้ชนะพุทธพ่อเขลมหายใจหอบก็ได้ที่ชนะทุกพ่อเขาลมหายใจหอบก็ได้ที่ชนะอนิจังวะเทียงบเทียงพ่อเขาลมหายใจหอบก็ได้ี่ชนะอนัตตาหม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเร่า เมื่อชาเล่อเป็นตัสักขรมเป็ักสังขคิดเป็นัวสัารพุลู่มของก็ล่มให้ใหญ่อตก็ได้รับค่ากันอนี่ขนอดละปาถนาถึงจะฝันจะเห็นเทธิ์มันก็บ้าหามแล้วต้องโง่ของข้ามันจีบหายถ้ากบ า, ายยังงกอาธนาะตุ๊ดเ ด, ดเ า, าตุ๊ดใจอุตสาตกรจาน นี่เป็นจัดนี่เป็นโจทย์ขัานกานหล่ลายเงินเพื่อฟังทีผู้อาชญ์เพราะว่าองค์ใดผู้ที่พี่ชื่อเก่งผู้ที่นี่เสียแต่ละวันงดงามเมื่อฟังหราคือบริจาทะลุทจะเชือกเป็นารสาบันบัดสมัยก้ารู้จการได้ฟังทำแม่แต่ข้าตาเดียวสมุดยางประพญานได้ฟังทำคนว่าตาเราเป็นลูกลูกนั้นสักว่าจะเราเ็น ในตัอันนะบัดเดี๋ยวนี้พังคือัชเขาถาเขาโจนขันกกกรื่อมจำยแก่่หังนะพ่อพ่อเนอพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อเยนอ่ศาสนาพักกัตปะนอนี่ศาสนาพักตถาที่หลวงปแล้วพักกัตถะพกติเจ่าเดโบรันพระมหากัตถะเด อืกัทซโปชิติสัมป์ปนโนผู้เตมโวศรัทธาปุ่งขบโบกัทซโปชิติซัมปปานโนแต่ในกลับกรอนนศาสนาเนี่เสื่อมลายลย้ว้เว้แบบผู้ปฏิบัติศาสนาเสื่อมลายละผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่ผู้หน่อยพอเป็นผู้หน่อยพอยเข้าโลกกันตามอายุพรรษา พระส้มนิ่มันเป็นกระเบือ้องแต่ว่ามีต่ำมีสูงมาสิหมู่ห้องเห็นมานนีม้มาสิูห้องมตัตรงรูส่วนกูกันได้แล้วสู้กันหาพระองค์นี้มาสิห้องวัดตองรูกษซับกันก็ได้หนีไปผู้เขาเนี่ยได้ช่งสูงขึ้นไปขึ้นไปท่านตะรีเพราะเพรันได ล, ล่วงมาสัน่นพวกได้บัดีก็บอไปยินทบาทว่าเรื่องกันยล้อมตายหมู่ห้องมาสันส่นไปยก่การของขันใดคือ ท่าผู้เขาคนนะเพราะนเป็นเลี้ยนสร้างัยันหัวกันในทิมโลก้วยพ่อหน้าพระหันสุ่มหนึ่งสําสำเร็จพระหรันสุ่มหนึ่งนั่นสำเร็จพระหน้าข้ามี่ไปเกิดพ่อมาโลกไปเกิดสัน อ, อภิหาอนตปาทุรสาทุรเสียการศาักดิ์ุนหนึ่งยังตะเพิ่นไปเกิด พ่อมาโลกสั่นจำฮะนี่ไปเกิดได้สั่นพ่มาเป็ น, นสัทธาพ่อมาโลกหีตาเนี่ยมาหาพ่อมาเนี่ยไม้สั่นสั่นหนสั่นนึ่งก็เมืออันนี้สองลยโลกมาเกิดในโลกมาเกิดนะเนี่ยแล้วมาเกิ ด, ก, ดกับพ่อพระพุทธเจ้าเทศบาทค่าถ้าเดียวเขาเลยสาเร็จพระรหัสอะไรละพุ่นทุ่นมาะพุ่พระว่าการปฏิบัตเนี่ย บมเสียว่าสัตว่าอะไรสำเร็จพระหันในไก่จะจักตายในด้ยล่าไก่จักตายกัาจักในสาเร็จพระอานาคามีหรือบัจังสั่นก็แล้วก็เป็นพระประเจตหรือบัวจังสั่นกับพระเจ้าองค์นา้าเราจักสองสามบาท้าทาว่าั์เสียเสียบเสียว่างสัตวนี่ น, นี่มันเป็นอสันที่อะไ ศาสาสางมาส้างโกรธท่านยาวะว่าป้าพัิยะมหานามะอัศิชิมุนีขึ้นกันโกรธท่านยะกับท่านเขาเก้าขัง น, น, นี้พี่ทรายว่ากูว่าเฝ้าท่านนกว่าสัน่นกูว่าเฝ้าท่านคุณล่ะเอาเขาขึ้นราเอานร่ำอยูาคุยด้วยท่านนะผะ้ี่น้องทรายเพราะ ว, ะ ว, ะวะ่าบัได้อ่ายนกท่นกูจิทากอนึกท่นพ่อเป็นเมา พ่อเฮ็ดเขาเมากูกระทเฮ็ดนะสพอเขาเป็นม้านกูกระทเฮ็ดพอเขาเป็นเลื้งกล้วยกูกระท่ทานพ่อเขาเป็นฟ้อนกูกระท่ทานเขามาก้มล้านกูกระททานกำลังฟ้อนกำลังติวกูกระท่ทานคนขึ้นเ่าขึ้นเนี้ยเรากูกริที่ท่านกูแถมมันบเกาข้าัตว์กูหนึ่บอสัตวกูท่านออกัคนละเอาขึ้นเราขึ้นล้านแล้วเซ็ตดกูกะท่ทานสัตวเขานี่ั จกลงม่ากับมาศาสนาพระองค์เจ้าห้องกับโกนท่านญะกันในสําเร็จพระรหันต์กรเนี่ยโกนท่านทธัญะอันชวนที่ที่ใต้นั่นกับมาเกิดพร้อมกันนั่นแหละมาเกิดทางไปเกิดทุกคนระบอนว่าไงมาเกิดพ่มพระพุทธเจ้าห้อง่ะกัมือพระพุทธเจ้าเขาสู้พระนิพพานเขจังในสําเร็จพระรหันต์นี่ยมาบวชในมือนั่นหรอว่าพระพุทธเจ้าไปเมื่อกุสีนาราก็ไปนอนพระองค์นั่นแหละพระองค์บวชทุตไทย ผู้นี้ท่านเขาเขา้างได้สาเร็จอรหันกรงูหนึ่งผู้นเนีสำเร็จรุ่นงูนศ า, ส, าสนาในศ า, ส, าสนาพุทเจ้าห้องผู้สาเร็จกร์กับมันพระโกนทานจะผู้สาเร็จที่หลังมูกับมันสุพระผู้บวชตอแก่บวชมือเดียวกัวกบพราะพุทธเจออา้าห้องกาลังประวนี่แ่ละเดีวขึ้นได้หรออือตัวท่านนี่ขึ้นได้แล่าะคึ้นพ อ, อ, อือเป่ คือพอะล้ออนั่หละวันเชนวนท่านเอาฮเนี่เป็นอย่งอันพระพุทธเจ้าจังเรียกเอฮิบสมมตเรีอกเอฮิกู้ประสัมภะธามาบวชอย่างนังนจังลำเอียงบอกนี่พระพุทธเจ้าว่าได้ลาเอียงพระพุทธเจ้าว่าว่พวกนี้ ได้ท่านบริษานแปดก็ให้พทธเจ้าองค์งอนๆไว้ข้าพระเจ้าจึงเรีอกเองมีพิูพธมทธขึ้นขันด้หท่านข้าพาระเจ้าเขาเลือบ่ขึ้นข้าพระเจ้าเรียกตามพนินพ้นท่านของพวกนี้นใช่ขาช้าพระเจ้าระเอียงยังจะนำเอียงเอาพระอนตมาเป็นผูอุปถากรซะหลทางห้ายกะทิเรียมโมได้พระพุทธเจา้าพระอนุตเป่นปาถนาะเป็นพุทธอุปถากรพระเจา้าอ น, น, ศศนุมาทัีผุนซ อยียงจะเอาพมอดขร่ามากเป็นชาวว่องไส้บางขัวกับสารีวุฒิอย่างอย่งจะบอเอาพระโกนทัตยาวะพระพัทยามหานรมะสมบวรณกรอแล้วก็พวกนี้กับปารถนาเป็นชาวว่องไส้บางขัวตั้งแต่ขังพระเจ้าโนบัสสีผมเนี้ยเาเะข้าพเจ้าขอให้ตามข้อมปารถนาพวกนี้เนาะผู้ปารธนาเป็นชาวว่องไส้บางขัวก็ดี ผู้ปาทนนเป็นลูกพระเจ้าก็ดีผู้ปฎทานเป็นเมียพระพุทธเจ้าก็ดีผู้ปาทานเป็นพ่อเป็นแม่พระพุทธเจ้าก็ดีต่องสางบานนี่หนึ่งอสองขยกับแสนกับพวกพวกสุขัยวัชโกหนึ่แสนกับะนะเท่านั้นางอ๋อเป็นยัง เป็นหนังนายพ่านเกียตบุตรกับไอชุดตะลับสีจึงร่วงข้ามได้ข้ามสู้ศกนกบังพิกบงักบงขิงว่าโอ้ยก็จะเห็นแบาผู้ขาแล้วท่านผู้ขาจะไปนมดพระเอศสันดอนขึ้นมาสู้เมืองแล้วท่นนี่นี่บังสารตาแล้ว่นไปแก้เอาบางังพิกบังขิงยกขึ้นตัวคันเอากันท่านท่าน่ไปอัน ขันไขบงนี่บางพิดบางสีงต่อก็ได้ตบตาการนร่อนนะว่านหนอนนี่ห่า ง, งเสื้อตานี่นี่บางพิกบางนี่บางสาตาจะไปนีม่อนพระเวสสันดรขึ้นมาเอ้ยจ้าบูญไหข้าพเจ้าข้าพเ จ, าพเจ้าไ่ายเศ้ากันนาผ่านเจตบุตรนาผ่านเจตบุตรกับมันไผกัพระอานนท์จุดตาลสีกับมันไผกับมันพระสาริบุตรสร้ามวารวนี้ไปนังจังไปนังจ้างให้ผ่ามล่วงได้ ข้ามผู้นี่เน่ยมันมีอเ น, นสงมันมีบารมีหลายกว่าพวกพระอนุนมีบารมีหลายกว่าอาจุต ร, รัชสีกว่าภาษาริขุตเขาะสาั่งบารมีพระพระเจดมากแล้วสองอสอไคขล่ละยัา ง, งย่งแสนกลับเท่านั้นเอ็ดนต์นตัวพวกนี้มันจะค่อยซื้อวันป่เคยเดีเคยไ ด, ยด้พี่จะหน้าบอบอไม่งั้นบอเคยได้๋ยวพี่จะหน้าบอเออ่น้อันเป็นเอเดนได้เลย พวงนี้เป็นโรคขีอยู่ อ, อ, อ, อ, อขันอนังออกวัตถุดก้อนนี่ห่อกออกวัอผได้กินว่าทักะห่าออกวันีงขี่ออกวัตเออต็มตลาดเต็มเรนนี่ยอีกนันให้พูออกจากน้ําฝอยผู้ดเดียวเสียวบอกเอาบอ ก, อ, บ อ, กออกจาก ฮึ t, <f> ่มนู่โตคอมเมนตของไม่ไว้นัําพูดจะกรอบเป็นของตอฮาม้ากันละมุ่เห้ามากถิ่นกระดูกแขวน ในโลกอันนี้ในใจโลกธาตุเของเกาโม่ห่ะทองเที่ยวมาพ้าแห้งแหละโม่ห่อคนจุคนทุกคนจนคนเป็นเศรษฐีเหมืนโม่ห่อค่อยเป็นมาผ้าแห้งเป็นคนขอธานุโม่หาเคยเป็นมาผ้าแห้งเป็นคนหัวหนวกตาบอดเป็นคนเปียกค้นพร้อมเป็นคนหางคนมี่เป็นคนหูบสวยเป็นค้นหุขีิโลกิโลโม่ห้อยซองเที่ยวมาเมดอันซั์ทีดสารนี่เป็นพอง่วพ่อค้อยผัว่วงผัวค้อยเมี่ยงัวเมี่ยคว้ย ปู่ป่าหน้าหน้าไม่อย่งในวัตตาสงสารมูอเฮาเคยเป็นรอบมัดจะได้เดี๋ย ว, ยวนี้ของสันเฮาจะพอใจว่าเฮาหัาก็ม่าบอกเ อ, อาวาีลักเพื่อหน้าทุ่มเทขัวาเวเบือนายไข่หม้อในวัตตาสงสารเพราะกุฏิเจ้าวาวไววในอิ ต, ตอิมุตตะบริพิตจังเลยในอิติมุตตะอะไรเงี้ยนะฮะเจ้าทหารเงี้ยทหารเนี่ย ซ้ำนีกนออ็อันเอตายต่อพระพุะทธรรมพระสงฆ์เขราะมอกลายอนทีต่อพระพทธธรรมาาพระสงฆ์ภาวนาใครเคยภาวนาไน้กี่ภาวนานั่นละฟุ้ขาภาวนาหระว่าเห็นเห็นหยัง่งถู่ะแกต้งเห็นภาวนาได้ใจเห็นหยัง่งภาะนาพุทธาวด่เห็นหยังรว่าสัตว์แกเห็นพุทธทวดได้ก็จ้างได้ว่าเปลี่ยนจ้งางโ่ ทุกส า, าวพนะ่หอหน้ากหนดร่มให้แกเขาออกก็เห็นหนังพอก็เห็นลมหให้แกเขาออกนี่ไงเห็นหนังอีกทุกสาวพนะ่อหน้าทุกคือบอเห็นหนังก็เห็นทุก น, นี่ก็ติวานยังไงอ่ะั้องบอก ทุกคณะกิฟตหเห็นหลกหลอกหนึ่งสุดัน้ยเพราหลกจนเปกองทุกข์เดี๋ยวไว่นี่ก่านี้เดี๋ยว นี่ตู้บริจาคนี่ตู้บริจาคเข้าลื่อนเทศเคลื่นเทศเค่อเทศไหแล้วผู้มาให้แล้วผู้มาหาก็ห้ตู้บริจาคเราเยอะน้ำพระเจ้าสพนม่สร็จแมันไ่ได้ยอะน้ำเาอยงเงี้พระเจ้ากอบริจาคออกกรคิดจากใจพระเจองั้นแหลเพราจะไปเฮ็ดเส้นทังมาเสร็จไปมา ฮาลังวานเห็นพระพุทธรูปแล้วก็เอาบาตกไปตั้งไว้ทุกษาไปสอนนี่จังว่าพระพุทธเจ้ากับอุบัติขอกันนึ่งี่บอว่ามู่ห้องมู่ซ่งเี่ยถ้าใเพื่แต่ว่ามู่คู้เดียวกันดอกเข้าจะมุ่นเดียวกันดอกโตจะกล้าถามแต่วาขันใหญ่เขาโตของพวกกาขึนกมุ่นเดียวกันหรือหน่อยกาถามี่แจังว่าพระพุทธเจ้าตับาตรสวรรค์มันุกษาห้ายนไปให้ให้มู่เดียวกัน จ ว, จาาว่าเขาตักกเสมอเนี่ยเขตักไปมรรบอกว่าทางน้ต er ัวใส่ไปสวรคอืมอใส่บาทไปสวร์ฮะเขาใส่ก็เสมอนี้ใส่ไปมรรบอกว่าทางนี้ยเนี่หลายหายวันแเยสั้นาตูมตาตีงสาแงม่าด้วยสิทธิ์ทีมาเตีไปมันบชุดพกสั่นผุน้งมันเนหลายวันตัดตัดบาดเที่วทัดกับ ทำุพระเทวทัตพึ่งก้อนหินลงมาใส่รพระโอปจิจโอะวะจ <c oughs> บแล้ครับไปปิชุบเปิ้ชุบไปบนา่าหน้าห้างลงไปนอาข้างล่างนะ อ, อ๋ะอไปเปิ้ลชุเปิ้ลชุบดนความทงนกใส้ฮ้อนขวน <c oughs>